จเจริญพรท่านผู้มีเจตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกๆ ท, ท, ท่าน <c oughs> วันนี้เป็นวันเสาร์ที่22ธันวาคมพุทธศักราช2555เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวันมาวัดเพื่อมาพัฒนาจิตใจ ให้มีความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองขึ้นไปตามลาดับเพราะการพัฒนาจิตใจเป็นการพัฒนาที่ถาวรส่วนการพัฒนาทางร่างกายเป็นการพัฒนาชั่วคราวเพราะร่างกายนี้เป็นสิ่งชั่วคราวมีวันจะต้องหมดสิ้นไป หลังจากอายุได้80 90หรือหนึ่งรก็จะต้องหมดสภาพไปแต่จิตใจนี้ไม่ได้หมดสภาพไปกับร่างกายการพัฒนาจิตใจยังเป็นการพัฒนาที่แท้จริงเพราะตัวเราก็อยู่ที่ใจตัวเราไม่ได้อยู่ที่ร่างกายร่างกายเราได้มา แล้วเดี๋ยวร่างกายตายไปเราก็ต้องออกจากร่างไปเราออกจากร่างไปกับใจถ้าใจได้พัฒนาเวลากลับมาเกิดใหม่เราก็จะได้ชีวิตที่ดีกว่าเดิมเช่นนี้ความร่ำรวยมากกว่าเดิมมีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณผ่องใสกว่าเดิมมีสติปัญญาความรู้ความฉลาดมากกว่าเดิม มีความเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มากกว่าเดิมมีความสุขมากกว่าเดิมเพราะเราได้พัฒนาจิตใจมาตามลำดับอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพัฒนาจิตใจมาในแต่ละภพแต่ละชาติจนถึงขั้นสูงสุดเือได้มาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะแล้วก็ได้ออกบวช ได้ปฏิบัติจนได้บรรลุเป็นพาาระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้เข้าสู่พระนิพพานที่เป็นบรมสุขขังเป็นบรมังสุขขังคือเป็นบรมสุขเป็นความสุขสุดยอดเพราะเป็นความสุขที่ไม่เสื่อมความสุขที่ไม่มีความทุกข์ เข้ามาเจือปนนี่คือจุดหมายปลายทางหรือการพัฒนาจุดหมายปลายทางของการพัฒนาอยู่ที่การยุติการเรียนว่าวตายเกิดอยู่ที่การได้เข้าสู่พระนิพพานสู่บ้านของเราที่แท้จริงสู่สถานที่ที่มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ดังนั้นเราจึงต้องพยายาม พัฒนาจิตใจของเราขึ้นไปเรื่อยๆให้มากให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆอย่าไปหลงกับการพัฒนาทางร่างกายที่ไม่ถาวรที่จะต้องเสื่อมหมดไปแต่จิตใจนี้ไม่เสือ่อมพัฒนาเท่าไหร่สิ่งที่เราพัฒนาก็จะคงอยู่กับจิตใจไปสิ่งที่เราพัฒนากับร่างกายมันก็จะต้องเสื่อมหมดไป เพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้อยู่ภายใต้กฎของอนิจจังคือความไม่เที่ยงไม่ถาวรมีการเจริญแล้วก็ต้องมีการเสื่อมไปในที่สุดดังนั้นอย่าไปหลงกับการพัฒนาทางร่างกายด้วยการแสวงหาราบยศสรรเสริญแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะจะ เป็นการพัฒนาเพียงชั่วคราวเท่านั้นเองถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับไปก่อสร้างปราสาททรายที่ชายทะเลเวลาที่น้ำาลงเวลาน้ำขึ้นมาน้ำก็จะซัดปราสาททรายที่เราสร้างไว้ให้ละลายหายหมดไปเลยฉันใดชีวิตของเราคือร่างกายของเรา และทรัพย์สมบัติเท่าของเงินทองต่างๆของเราก็เป็นเหมือนปราศาสตร์ทรายพอถึงเวลาน้ําขึ้นมามันก็จะถูกน้ําละลายไปหมดชีวิตของเราเมื่อถึงเวลาหมดเวลามันก็จะสูญสลายหมดไปดังนั้นไม่ว่าเราหามาได้มากน้อยเพียงไรตายไปเราก็เอาไปไม่ได้เลยแม้แต่ บาทเดียวทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ต้องอยู่ในโลกนี้ใจนี้ไม่สามารถเอาอะไรไปได้นอกจากการพัฒนาจิตใจสิ่งที่เราพัฒนาจิตใจนี้เราเอาไปด้วยเอาไปได้ด้วยแล้วก็จะทำให้จิตใจเราสูงขึ้นดีขึ้นคนเราที่มาเกิดนี้ที่มีความสูงต่ำไม่เท่ากัน มีฐานะรวยจนไม่เท่ากันมีสติปัญญาความรู้ความฉลาดไม่เท่ากันมีอายุยืนยาวนานไม่เท่ากันมีรูปร่างหนา้าตาผิวพรรณผ่ผองใสไม่เท่ากันก็เพราะได้รับการพัฒนามาไม่เท่ากันนั่นเองผู้ที่ได้รับการพัฒนามามากก็จะมี ความเจริญก้าวหน้ามากในทางราบยศสรรเสริญในทางความสุขเพราะว่าได้มีได้ทํามาในอดีตเกิดมาก็ไม่ต้องมาทำเพราะได้ทํามาแล้วเช่นเกิดมาก็ได้เกิดมาเป็นรูปเศรษฐีเกิดมาก็มีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณสวยงามผ่องใส มีสติปัญญาฉลาดแหลมคมมีอายุยืนยาวนานดังนั้นขอให้เรามาลงทุนที่การพัฒนาจิตใจจะดีกว่าที่เราจะไปลงทุนกับการพัฒนาทางร่างกายสิ่งที่เราจะต้องพัฒนาก็คือบารมีต่างๆเช่นบาทานบารมีเนคัมะบารมี ศีลบารมีเมตตาบารมีปัญญาบารามีโอเบขาบารามีนี่คือบารามีที่จะทำให้เรามีความเจริญก้าวหน้าทางจิตใจที่จะพาให้เราได้ไปถึงพระนิพพานให้ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย อยู่ที่บา ร, รมีต่างเหล่านี้ดังที่ท่านทั้งหลายได้มาบาเพ็ญกันในวันนี้ท่านก็ได้มาบำเพ็ญทานบา ร, รมีทานแปลว่าการให้วันนี้ท่านก็เอาสิ่งของต่างๆมาถวายพระนี่เรียกว่าเป็นการให้ให้อาหารขาวหวานให้จัตุปัจจัยต่างๆไว้ใช้สอย ในกรณีที่จาเป็นเรียกว่าเป็นการให้ให้บ่อยๆก็จะมีบา ร, รมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเป็นเหมือนกับการนำเอาเงินเข้าฝากในธนาคารถ้าเราฝากเรื่อยๆยอดของเงินฝากก็จะมีสูงขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราฝากมากมากยอดก็จะมีมากขึ้นไปเรื่อยๆ นี่แหละยอดเงินฝากอันนี้เราเอาไปกับเราได้แต่ยอดเงินฝากในธนาคารนี่เราเอาไปไม่ได้เราเอาเอาเงินนี้มาฝากไว้ในธนาคารบุญด้วยการมาทำบุญให้ทานแล้วทานนี่แหละที่จะสนับสนุนให้เราได้ไปเกิดเป็นลูกของเศรษฐีเป็นรูกของพระเจ้าแผ่นดินเช่นพระพุทธเจ้า ทรงทำทานในสมัยเป็นพระเวชสันดรทำอย่างเต็มที่เลยให้ทุกสิ่งทุกอย่างทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองบุตรธิดาภรรยาใครอยากได้ก็ยกให้ไปเลยพอตายแล้วกลับมาเกิดใหม่ก็ได้มาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถมีประสาสามดือดมีนางสนม มีบริษัทบริวารคอยรับใช้คอยเลี้ยงดูอย่างตลอดเวลานี่เป็นเพราะอนิสงค์องของทานที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญมาในอดีตชาติของพวกเราก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันถ้าเราทำทานมากเท่าไหร่บารมีผลของการทำทานก็จะมีมากขึ้นไปเท่านั้นถ้าทำทานน้อยผลก็น้อย ถ้าทำทานมากผลก็มาดังนั้นอย่าเสียดายกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่เรามีเหลือกินเหลือใช้ที่เราเก็บเอาไว้เฉยๆไม่ได้ทําประโยชน์อะไรเอามาเข้าธนาคารบุญดีกว่าเอามาสร้างทานบา ร, รมีดีกว่าเพราะตายไปแล้วเราจะได้มีบุญคอยเลี้ยงดูเราสนับสนุนเรา ข้อที่สองบารมีข้อที่สองก็คือศีลบารมีการสร้างศีลบารมีนี้สำคัญอย่างมากเพราะศีลนี้จะพาให้เราไปเกิดในสุคติคือจะไม่พาให้เราไปเกิดในทุคติคืออบายอบายก็คือที่เกิดของสัตว์เดรัจฉานของเปรตของสัตว์นรกทั้งหลายถ้าไม่มีศีลคือศีลห้า ถ้าไม่ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดเสพสุรายามเมาตายไปก็จะต้องไปใช้กรรมในอาบาจะต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างไปตกนรกบ้างแต่ถ้าเรารักษาศีลห้านี้ได้เราสร้างศีลบามีด้วยการรักษาศีลเป็นปกติ รักษาทุกวันการรักษาศีลนี้ไม่จําเป็นจะต้องมาวัดไม่ต้องมาสมาทานขอศีลจากพระเพราะศีลอยู่ที่ตัวเราพระไม่ได้ให้ศีลของพระไปให้กับเราศีลนี้ของไข่ของมันให้กันไม่ได้พ่อแม่ก็ให้ลูกไม่ได้สามีภรรยาก็ให้กันไม่ได้ญาติสนิทมิตรสหายก็ให้กันไม่ได้ สินนี้เป็นของใครของมันและการที่จะเกิดศินก็คือการตั้งใจว่าจะรักษาศีนจะจะตั้งใจต่อหน้าพระสงฆ์ก็ได้เช่นมาวัดเราก็มาสมาทานศีนว่าวันต่อไปนี้จะรักษาศีลห้าไปตลอดชีวิตนี่ก็ถือว่าได้ได้เริ่มต้นแล้วคือได้ตั้งใจแล้วเมื่อเราได้ตั้งใจแล้ว ข่านต่อไปเราก็ต้องรักษาความตั้งใจของเราจะคอยเฝ้าดูการกระทําของเราทุกเวลานาทีว่าลาเมิดศีลข้อใดข้อน่งหรือไม่ก่อนจะพูดก่อนจะทําอะไรท่านสอนให้เราดูให้เราเฝ้าดูด้วยสติว่าเรากำลังจะพูดอะไรเรากำลังจะทําอะไรถ้าเรากำลังจะพูดปด เราก็หยุดเสียถ้าเรากำลังจะรักทรัพย์กำลังจะดื่มสุรายามเมาก็ให้หยุดเสียถ้าเราคอยเฝ้าดูการกระทาของเราเราก็จะรักษาศีลได้แต่ถ้าเราไม่เฝ้าดูเวลาเราเผลอเราก็จะไปทำบาปได้ถ้าเราไม่สามารถรักษาศีลได้ตายไปเราก็ต้องไปใช้กรรมในอบาย แต่ถ้าเรารักษาศีลได้ตายไปเราก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายเราก็จะไปเกิดเป็นเทพแล้วก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่นี่คือผลของการจากการรักษาศีลคือเราไม่ต้องไปใช้กรรมไม่ต้องไปติดคุกติดตารางในอบายถ้าเรารักษาศีลไม่ได้เราก็ต้องไปเกิดในอบาย ไปเป็นเดรัจฉานบ้างไปเป็นเปรตบ้างไปตกนรกบ้างจนกว่าบาปที่เราทำนี้หมดแล้วเราถึงกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่นี่คือศีลบาราีที่พวกเราควรที่จะพยายามสร้างกันให้มากบาราีข้อที่สามที่เราควรจะสร้างกันก็คือเนกัมมะบารมี เนกรรมะบาลมีก็คือการถือศีลแปดถือศีลบวชเพราะการบวชนี้เป็นการหยุดการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายที่เป็นความทุกข์มากกว่าความสุขผู้ที่ยังติดอยู่กับการมาสุขก็เป็นเหมือนกับปลาที่ไปตะคุบเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ด ได้กินเหยือเพลงเกน้อยแล้วก็ต้องมีประขอแบดเกี่ยวปากเอาไว้ฉันใดผู้ที่ยังติดอยู่กับการบรดคือยังติดอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสผลิัพยังอยากดูหนังฟังเพลงยังอยากจะร่วมหลับนอนกับแฟนกับคนนั้นกับคนนี้ยังอยากจะหาความสุขจากการรับพทานจากการดื่ม จากการเที่ยวตามสถานที่ต่างๆบุคคลเหล่านี้ก็จะต้องทุกข์ทรมาน ก, กับการที่จะต้องหาเงินหาทองเพื่อที่จะได้ไปซื้อสิ่งต่างๆที่อยากจะได้และเวลาที่ไม่ได้มาก็ร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจเวลาคนที่รักจากเราไปทิ้งเราไปก็เศร้าโศกเสียใจ มีความรู้สึกเศร้าซ้อยหมอเหง า, าเหงาว้าเหวกินไม่ได้นอนไม่หลับถ้ามีการสูญเสียมากๆก็อาจจะอยากจะฆ่าตัวตายนี่เป็นเพราะว่าไม่ได้เสกกามนั่นเองการนี้เป็นเหมือนยาเสพติดคนที่ติดยาเสพติดนี้จะต้องเสกยาเสพติดไปตลอดเวลาใดที่ไม่ได้เสกเวลานั้นจะทุกข์ทรม า, มานใจยอย่างมาก ดัง น, นใดผู้ที่เสกกรรมก็เช่นเดียวกันเวลาที่ไม่ได้เสพกรรมจะเป็นเวลาที่มีความทุกข์ทรมานใจเป็นอย่างมากดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงตงสอนให้มาจเจริญเนคข ม, มะบารเมเนคข ม, มะแปลว่าการออกจากการรมนั่นเองไม่หาความสุขจากการเสกกรรมเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลเถะให้มาหาความสุขจากการ ทำใจให้สงบนี่คือเป้าหมายของการเสพการเจริญเนคขมะบาณีก็คือให้ถือศีล8ปหรือถือศีลส0ศีลส2 7ีตามลำดับความตามกําลังที่จะสามารถรักษาได้เบื้องต้นก็เอาศีล8ไปก่อนศีลข้อหข้อสามก็เปลี่ยนไป จากกาเมสุมิฉาจาราก็เปลี่ยนเป็นอ布拉มจริยาเวรมณีคือจะไม่ร่วมหลับนอนกับใครถ้าเป็นกาเมสุมิฉาจาราเวรมณีนี้ก็เป็นการหลับนอนกับคู่ครองของตนได้นี่เป็นศีลห้าศีลห้ามีกาเมสุมิฉาจาราเวรมณีแต่ถ้าเป็นศีลแป สิ่ข้อสารก็จะเป็นอพรรมจาริยาเวรละกรณีอย่างผู้ที่นุ่ขงขาวห่มขาวมาอยู่วัด น, นี้เขาจะไม่ร่วมหลับนอนกับใครไม่หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับผู้อื่นแล้วสิข้อหกก็ถือการไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วจะไม่รับประทานอาหารเพื่อความสุข รับประทานอาหารเพื่อรักษาให้ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่หิวเท่านั้นก็พอแล้วการรับประทานเพียงวันละมื้อสองมื้อนี้ก็พอเพียงต่อความต้องการของร่างกายแล้วไม่จำเป็นจะต้องรับประทานทั้งวันทั้งคืนถ้ารับประทานทั้งวันทั้งคืนนี้เรียกว่ารับประทานเพื่อความสุขซึ่งไม่ใช่เป็นความสุขเพราะเวลาที่ไม่ได้รับประทานก็จะ เดือดร้อนจะวุ่นวายใจนอนไม่หลับนี่คือสิ่ข้อที่6ส่วนของสิ่งข้อที่7ก็คือไม่ให้หาความสุขจากการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากใช้น้ําหอมเพื่อให้มีดมกลิ่นหอมหอมดับกลิ่นเหม็นของตัวเองไม่ชอบกลิ่นเหม็นของตัวเองเลยต้องเอาน้ําหอมมาทาฉโลมตัว เพื่อที่จะได้ไม่ต้องดมกลิ่นเหม็นดมแต่กลิ่นหอมแล้วก็แต่งตัวให้ดูสวยงามแล้วเกิดความสุขขึ้นมาแต่เป็นความสุขผิวเผินเวลาไม่ได้แต่งตัวก็จะรู้สึกไม่สบายใจเวลาไม่ได้ทานน้ำหอมก็จะเบื่อกับกลิ่นตัวของตัวเองแล้วก็ไม่ให้หาความสุขจากการเที่ยวแต่จากการดูหนังฟังเพลง ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆอันนี้ต้องตัดไปสำหรับผู้ที่ซื้อสีนข้อ7นี้เส่วนสินข้อ8ก็คือไม่ให้หาความสุขจากการหลับนอนให้หลับนอนเพื่อเป็นการพักผ่อนร่างกายร่างกายนี้นอนบนพื้นแข็งแข็งก็นอนหลับได้ ถึงเวลาที่ต้องการจะพักแล้วร่างกายจะนอนบนฟูกหรือนอนบนพื้นไม้ก็นอนหลับได้เหมือนกันและหลังจากที่นอนพักพอแล้วก็จะตื่นขึ้นมาถ้านอนบนฟูกหนาๆก็จะไม่อยากจะลุกขึ้นมาอยากจะนอนต่อเพราะมันสบายก็จะเสียเวลาแทนที่จะลุกขึ้นมาสร้างบารมีข้ออื่นต่อไปก็จะไม่ได้สร้างบารมี บารมีข้อที่เราต้องสร้างต่อจากการรักษาศิ้นแปก็คือเนคข ม, มะบารมีเนคข ม, มะบารมีนี่คือทําใจให้สงบทําใจให้เป็นกลางไม่ให้รักไม่ให้ชังไม่ให้โกรธไม่ให้หลงให้อยู่เฉยๆให้รู้เฉยๆไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรอันนี้เป็นความสุขอย่างยิ่ง ถ้าใจไม่หิวไม่อยากได้อะไรแล้วอยู่เฉยๆก็เป็นสุดไม่ต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ต้องทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ต้องดูสิ่งนั้นสิ่งนี้ฟังสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่เฉยๆก็มีความสุขการจะทำใจให้เป็นอุเบกขาได้ก็ต้องควบคุมความคิดต้องบังคับไม่ให้คิดบังคับด้วยการใช้การสวดมนต์ ตวจมลไปก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้หรือให้ท่องคาถาใดคาถาหนึ่งเช่นพุทธังสระนังกะฉามิไปก็ได้หรือจะท่องพุทโธพุทโธไปก็ได้อะไรก็ได้ที่จะทําไม่ให้เราไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเวลาเรามีเวลาว่างเราก็มานั่งหลับตาแล้วก็ท่องต่อไปท่องพุทโธไปเรื่อยๆ เดี๋ยวใจก็จะเข้าสู่ความสงบพอสงบแล้วใจก็จะเย็นสบายเป็นอุเบกขาไม่หิวไม่อยากไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่อยากได้อะไรถ้าได้ความสงบแบบนี้แล้วใจก็จะมีกําลังที่จะต่อสู้กับความอยากต่างๆที่จะต่อสู้กับกิเลสตัณหาที่มาคอยหลอกล่อให้ไป หาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาที่หามาได้แล้วแทนที่จะเป็นความสุขกลับเป็นความทุกข์เพราะว่าจะต้องคอยดูแลรักษาจะต้องห่วงต้องห่วงแล้วก็ต้องมาเสียใจร้องห่มร้องไห้เวลาที่สูญเสียสิ่งที่ได้มาไปถ้าชนะความอยากได้ ถ, ถ, ถ้าใจมีความสงบก็จะไม่อยากได้อะไรเมื่อไม่อยากได้อะไรก็จะไม่มีอะไรให้มาทุกข์ด้วย นี่คืออุเบกขาบารเีที่เราต้องพยายามสร้างกันให้ได้ด้วยการควบคุมความคิดของเราตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาอย่าไปคิดอะไรที่ไม่จำเป็นจะต้องคิดให้คิดคาว่าพุโทโธพุโทโธไปหรือท่องคาถาอ拉หังสัมมาไปก็ได้ท่องไปเรื่อยๆท่องไปในภายในใจไม่ต้องออกเสียงไม่ต้องให้ใครรู้ แล้วเราจะสามารถควบคุมความคิดของเราได้ถ้าเราควบคุมความคิดได้เราก็จะควบคุมความอยากได้ควบคุมกิเลสได้เมื่อเราควบคุมกิเลสได้เราก็จะสามารถรักษาความสุขความสงบของใจได้เราก็จะมีความสุขโดยที่ไม่ต้องไปดิ้นรนหาเงินหาทองไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้หาคนนั้นคนนี้มาให้ความสุขกับเรา ว่าเรามีความสุขอยู่ในตัวของเราแล้วนั่นเองนี่คืออุเบกขาบารเมฆแล้วถ้าเราอยากจะรักษาอุเบกขาให้อยู่ตลอดหลังจากที่เราออกจากจากการนั่งสมาธิมาแล้วเราก็ต้องใช้ปัญญาปัญญาบารเมีเราต้องสอนใจให้รู้ว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้ที่เราอยากได้นี้มันไม่ได้เป็นความสุขมันเป็นความทุกข์ ได้มาแล้วก็ต้องทุกกับสิ่งที่เราได้มาได้สามีก็ต้องทุกกับสามีได้ภรรยายก็ต้องทุกกับภรรยายได้บุตรได้ทิดาก็ต้องทุกกับบุตรกับทิดานะถ้าไม่ได้ก็ไม่ต้องทุกขเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่เที่ยงเขาไม่แน่นอนเขามีการเปลี่ยนแปลงไปบางวันเขาก็ดีบางวันเขาก็ไม่ดีบางวันเขาก็อยู่บางวันเขาก็ตายได้ นี่เป็นความไม่เที่ยงของสิ่ง ต, งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เราต้องคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆไม่ให้หลงไปอยากได้เห็นอะไรอย่าไปอยากได้ถ้าเราเห็นว่ามันไม่เที่ยงเห็นว่ามันต้องจากเราไปเห็นว่ามันจะต้องให้ความทุกข์กับเราสู้อย่ามีดีกว่าอย่ามีอะไรแล้วเราจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายนี่คือปัญญาต้องคิดอยู่เรื่อยๆ คิดถึงอนิจจังไม่เที่ยงคิดถึงทุกขังว่าเป็นความทุกข์คิดถึงอนัตตาว่าไม่ใช่เป็นของเราไม่ใช่ตัวเราไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรเป็นตัวเราร่างกายที่เรามีอยู่นี้ก็ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราเพราะสักวันหนึ่งมันก็จะต้องกลับคืนสู่เจ้าของเดิมก็คือดินน้ำลมไฟนั่นเองดินน้ำลมไฟเป็นเจ้าของของร่างกายอันนี้แล้ว ถึงเวลาร่างกายอันนี้ก็จะต้องกลับคืนสู่เจ้าของคือดินน้ำลมไฟอย่างนั้นถ้าเราสอนใจอย่างนี้อยู่เรื่อยๆ เ, เราก็จะมีปัญญาปัญญาก็จะทำให้เราไม่ไปยึดไปติดกับสิ่งต่างๆไม่ไปโลภไม่ไปอยากได้สิ่งต่างๆในโลกนี้เมื่อเราไม่มีความโลภไม่มีความอยากไม่มีความยึดติดใจของเราก็จะไม่มีความทุกข์ เวลาสิ่งต่างๆเปลี่ยนไปหรือว่าเวลาสิ่งต่างๆดับไปศูนย์ไปเราจะไม่เดือดร้อนเราจะอยู่อย่างเย็นอย่างสบายนี่คือบารมีต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราพยายามสร้างกันขึ้นมาให้มากๆเพราะว่าถ้ามีมากเท่าไหร่ก็จะมีความสุขมากเท่านั้นจะมีความทุกข์น้อยลงไปเท่านั้น ถ้าสร้างได้เต็มที่ก็จะมีความสุขอย่างเต็มที่แล้วก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปถ้ายังไม่เสร็จถ้ายังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดก็จะกลับมาเกิดในภพที่ดีกลับมาเกิดเป็นเทพเป็นพรหมกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีฐานะที่ดีมีความร่ำรวยมีสติปัญญาที่แหลมคมมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงาม ผิวพรรณผ่องใสแล้วก็จะสามารถปฏิบัติต่อไปได้เรื่อยๆจนถึงขั้นสูงสุดได้จะไม่มีวันเสื่อมจะมีแต่เจริญขึ้นไปตามลำดับถ้าเราเหมั่นสร้างบารมีต่างๆเหล่านี้คือทานบารมีศีลบารมีเนคั ม, มบารมีโอเบขาบารมีปัญญาบารมี อันนี้แล้วเป็นต้นเหตุของความสุขและความเจริญไม่ได้อยู่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆกพาพะแล้วขอสิ่งนั้นสิ่งนี้ขอไปจนวันตายก็ไม่ได้ถ้าได้ก็เป็นการบังเอิญเพราะมันจะได้อยู่แล้วจะขอหรือไม่ขอก็ได้เพราะมันเป็นผลของบารมีเก่าที่เราสร้างมาในอดีตนั่นเองแต่การขอนี่รับประกันได้ว่า ไม่ได้อย่างแน่นอนถ้าได้ป่านนี้พวกเราก็เป็นมหาเศรษฐีกันไปหมดแล้วเป็นเจ้าเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นอะไรกันไปหมดแล้วเพราะเวลาเรากราบพระเราก็มักจะขอสิ่งเหล่านี้กันแต่การขอนี้ไม่ได้ทำให้เราได้ตามสิ่งที่ตามที่เราต้องการการจะได้สิ่งต่างๆ น, นี้จะต้องเกิดจากการสร้างบารณีเท่านั้น ดังนั้นถ้าอยากจะได้อะไรอยากร่ำรวยอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากมีความสุขมากๆอยากจะไม่มีความทุกข์ก็ขอให้เราสร้างบารมีต่างๆเหล่านี้เถิดแล้วผลจะตามมาอย่างแน่นอนไม่ต้องไปขออะไรจากใครทั้งนั้นเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงก็คือการสร้างบารมีต่างๆเหล่านี้นี่เองพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็เพราะสร้างบารมีมา พระสาวกทั้งหลายเป็นพระสาวกได้ก็พ่อสร้างบารมีต่างๆเหล่านี้มานั่นเองจึงขอให้เราพุ่งไปที่การสร้างบารมีต่างๆนี้เถิดแล้วรับรองได้ว่าเราจะไม่ผิดหวังการแสดงก็เห็นว่าสมควรแต่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนใจ